ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงประวติยานกำลังนำเสนอรเรื่องกรรมสกตาสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมก็มาถึงช่วงที่พุเจ้าทรงแสดงแก่สุภามานุษย์ในจุลักกมมมวิพังกะสูตรคือพระสูตรที่ว่าโดยการจำแนกกรรมสูตรเล็กนะฮะไม่ใช่สูตรใหญ่ เป็นการให้รายละเอียดในกรณีที่คนเราแตกต่างกันโดยกำเนิดเช่นว่าอายุสั้นอายุยืนมีโรคน้อยมีโรคมากผิวพรรณดีผิวพรรณซามสักดามากสักดาน้อยแล้วแต่อะไรเนี่ยก็มาจนถึงจุดที่คิดาารร ว, ว่าเกิดมาบังคับงรวยรวยว่าเกิดมายากจนขัดสน กรณีก็ทรงแสดงไว้ว่าเป็นกระบวนการของกรรมเช่นเดียวกันโดยรับสั่งว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหองเครื่องรูปลายที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประชีพแก่สมณะหรือพรามก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ยินดีในฐานในกรณีนี้พึงสังเกตนะว่า มันเป็นความรู้สึกที่กอบด้วยโมโ ล, โลพะโทสะโมหะเช่นเดียวกันคือหมายความว่าใจเราไม่เลื่อมใสในสมณพราหมณ์ในนักบวดทั้งหลายนะฮะหรือว่าคนรักจนกัศยนนาถาทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดจากความรักความเมตตาความศรัทธาความสงสารคือเป็นเหตุให้ทานเนี่ยมันตัวกระตุ้นมันเยอะอาจจะเป็นความพักดีอาจจะเป็นความเคารพก็ได้นะเป็นเหตุให้ ตันกาวโดยสรุปก็คือไม่มีความรู้สึกดีต่อคนอื่นแล้วก็มีความสนิทเสียดายในของทรัพย์สินทองของตนสิ่งทั้งหมดนี้เป็นเขาเรียกว่าทานวัตถุนะคือวัตถุที่เป็นเครื่องให้หรือวัตถุสำหรับให้เป็นการทรงเครบะน้เคราะห์กันแห่งยุคสมัยตรงนั้นที่จริงกรอบมันก็ยังอยู่ในแวดวงที่เราทาบุญทากุศลกันอยู่ในปัจจุบัน ข้าวน้ําเสื้อผ้ายานภานะกือแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นรูปของกิริยาทีนี้เมื่อไม่สร้างกิริยาไอ้ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวกิริยามันก็ไม่เกิดข้อนี้ถ้าหากว่ามันเป็นไปแรงตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติวิบัติและโรกจักรกายเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าไม่มาก ก็าตายไปเกิดในภพชาติใดก็ตามก็จะกลายเป็นคนที่มีโภคะน้อยคือยากจนขัดสนนนาฐามีปัญหาในสถานที่เกิดมีปัญหาในครอบครัวที่เกิดสกุลที่เกิดท้องถิ่นที่เกิดแล้วก็อาจจะกระทบถึงรูปร่างด้วย เพราะว่าคนทําปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยรูปร่างไม่ดีนะฮะหรคนจะนีนี่รูปร่างจะไม่สวยอย่างที่ทรงแสดงไว้ในนิธิการตะสุทิว่าสุวรรณตาคือความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามสุสระตามีสุ้เสียงใยเราะสุสัสนฐานนางมี ส, ดสุดทรงสมส่วนสุรูปรตามีรูปงามเป็นต้นเนี่ยสบเมเตนลพัพพติคือทั้งหมดเนี่ยบุคคลได้ด้วยบุญอย่างนิทิผุลทัพท์คือบุญ และบุญที่ทรงแสดงในประสุตนั้นะเน้นไปที่ตัวฐานนะฐานในรูปของการสงเคราะห์รูปของการอนุเคราะห์รูปของการบูชาก็ตาจะสรุปว่าก็สรงเน้นไปที่ฐานเพราะเป็นการพัฒ น, นาอานิสงส์ของฐานโดยทีนี้คนเหล่านี้กลัวตกลงว่าประสบความทุกข์ทั้งชาติ ชาติที่เขาก่อนตายนะฮะก็ไม่มีพวกนะฮะพวกนีเนี่ยพวกเนี้ยพวที่ไม่สง่งครองครอคนดื่นเนี่ยก็แสดงไม่มีพวกก็โดดเดี่ยวตัวเองตายไปแล้วบังเกิดในทุ ก, กติทีนี้ถ้าไม่ถึงคุกกตุกติก็เกิดมาในสกุลยากจนกระสนนาน า, าซึ่งตรงนี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการของกรรมแต่ว่าพูดระดับว่าไปเกิด ไปเกิดในสกุลที่ยากจนกัดสนนาา่าทาแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สามกรรมซ้อนกันอยู่ในชาติเดียวกันเพราะกรรมพวกนี้อาจจะมามันมีกุศลและกรรมอะไรในอนดีตชาติก่อนๆโน้นมาตามมาให้ผลพลิกเป็นก็เรียกมืดมาและสว่างไปก็ได้หรือบางทีก็มีกรรมชั่วที่ก็ทําไว้ในชาติก่อนหรือชาติก่อนๆเนี่ย ตามมาก็ทำให้เขามืดมาแล้วมืดไปก็ได้นะก็แล้วแต่นั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชาติต่อไปแต่ว่าทำให้เกิดมาในสกุลที่ยากจนเนี่ยก็เพราะผลของการไม่ให้ทานมาในการก่อนคือในเรื่องเหล่านี้บางทีเนี่ยเราก็มีตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสน า, ศามีประเทรารูปหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์พระศาุตร เกิดมายากจนขัดสนานาถาคือไม่เคยกินอาหารอิ่มท้องเลยและจนถึงจุดหนึ่งก็เข้ามาบวชบวชก็อย่างอื่นท่านดีหมดอะประพุติปฏิบัติดีหมดเลแต่วินทบาทไม่ได้บินทบาทได้ก็เรียกว่าไม่ไม่สามารถบรรเทาความหิวได้จนบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแล้วนะยังยังบินทบาทแบบเดิมอยู่จนวันหนึ่งท่านลาวาสาดีบวชเพื่ออนิพาน ภาษาทีบุกก็เลยไปบินธบาตบินธบาตเองนะแล้วก็มานั่งถือบาทให้ท่านฉันท่านก็ไม่กล้าฉันนะอุปชานั่งถือให้เนี่ยท่านบอกว่าฉันเอถอะตะคุณถือเองมันก็ไม่มีอาหารดีกระมันโดนบรนดาลขนาดนั้นนะขนาดว่าคนท่านเดินบินธบาตเนี่ยคนไม่เห็นท่านนะแล้วก็ที่นี้คนที่เห็นที่ไปตักบาทปรากฏว่าข้าวมันก็หายไปเล่นแรงขนาดนั้นนะ่ะ ตกลงมาท่านก็ได้อิ่มท้องมื้อเดียวแล้วก็นิพพานนี่ก็ถือว่าอกัศรกรรมมันแรงมากต้นการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานผานะเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้ดวงตาการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างตลอดถึงการให้ธรรมะนี่ชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะ ทีนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทรงกันข้ามก็หมายความว่าเป็นใครก็ตามนะฮะมีเป็นผู้ที่ยินดีในการให้ข้าวนา้ํำยานผาละ่ะดอกไม้เหมือนกันคือพูดว่ามีการให้มีการสงเคราะห์มีการบูชาคนอื่นสรุปว่าพื้นจิตเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อคนอื่นเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆนะฮะรู้สึกดีต่อคนอื่นเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกดีกับท่าน ท้าเดือดร้อนเราก็อยากจะมีส่วนร่วมแบ่งเบาความทุกข์ของท่านเด็กเราก็รู้สึก ด, ดีกับเขาคนเขาทานเราก็รู้สึก ด, ดีกับเขาเราก็สามารถตีสงเคราะห์น้อเคราะคนได้ตลอดคือปัญหาเหล่านี้มันอยู่ที่พื้นนิสัยของคนคือมันติดมาโดยกำเนิด คนนี้เก็เป็นกรรมชรูปด้วยนะฮะห ม, หมายความกรรมที่สร้างรูปสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มีพื้นเพจริดอัธยาศัยอย่างนั้นเพราะคนเหล่านี้เมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยก็จะบังเกิดในในสุคติโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะกรรมเพราะกรรมที่เขาทรงช้คำว่าอันเขาให้พรั่งพร้อมคือให้สมบูรณ์นะฮะสมาถานไว้อย่างนี้ ทีนี้ถ้าหากว่ากุศลกรรมไม่แรงพอต่อการจะบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์คื อ, อยาลือมรสมบัติมนุษย์กับสมบัติทิพย์นี่มันจะต่างกันคือตัวเหตุมันจะต่างกันก็จะบังเกิดในหมู่มนุษย์ในสกุลที่มังคั่งสมบูรณ์โดยพ ก, กสมบัติเป็นอนังมากและบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อบุคคลคนนั้นโดยเฉพาะอย่าง พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านบอกว่าตอนวันปรสูตรนะฮะมีคุ้มทองเกิดขึ้นสี่มุมเมืองของกรุงกบิลพัฒน์แต่ว่าเจ้าชายติตะต้องไปเอาเองจึงจะเป็นทองนะคนอื่นไปเอาไม่เป็นทองอันนีเน้เป็นเรื่องเป็นบุญอย่างนี้ทเป็นบุญพิเศษที่ท่านให้ทานมามากมายมาหาศาลเลย ก็เพื่อจะให้ท่านใช้เป็นเงินในการสถาปนาจักรวรรดิคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันก็อยู่กับมันอย่างนั้นนี่ยพอพระพุทธเจ้าสรัสรูภปัมันหายไปเลยก็เป็นเรื่องอะไรละอาชินตยอีกแหละเป็นกรรมะวิปากะวิสัยเป็นวิสัยของกรรมแล้วก็ผลของกรรมแล้วก็หาครรตอบไม่ได้ มนคนคนที่เกิดมาในสกุลที่บาัางครั้งร่ำรวยเนี่ยตามปกติจะเจริงได้ง่ายๆก็คิดว่าตัวเองสบายแล้วไม่ต้องไปทําบุญทําทานอะไรไม่ต้องไปสงเคราะห์นเคราะห์เหลือคือคูณคนอื่นอะไรสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ากินของเก่าเป็นจานวนที่นางวิสาขามาอุบาสิกาได้กล่าวกับพระภิกษุรูปหนึ่ง คือพระภิกษุท่านไปบินทบาทที่บ้านของพ่อสามีนางวิสาขาคือมีมคาราเษฐีพระเดินมาบินทบาทเนท่านก้มหน้ามายอมดูเลยนางวิสาขาก็ไม่ต้องการที่จะพูดแต่ก็บอกว่าขอพระคุณเจ้านิมนต์โปรดสัต์กลาหน้าเจอคุณพ่อดิฉันกำลังกินของเก่า คือกินบุญเก่าอะนะฮะแตนี้บุญเก่าเนี่ยถ้าไม่สร้างบุญใหม่ในสุดมันก็หมดบุญเสรเราเทียบบุญเก่าเทียบสั้นๆง่ายๆนะว่าบุญเก่าที่นําเรามาเกิดในสกุลที่มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยแต่ถ้าเราขาดปัญญาขาดความฉลาดขาดความรอบคอบในการบริหารจัดการกับทรัพย์สิน ทรัพ์สินนอนนั้นก็เสื่อมไปได้ก็เป็นคนประเภทที่เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปได้เราก็มีตัวอย่างให้เห็นบุคคลเหล่านี้อยู่ซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่มันเป็นปัจจุบันกรรมแต่ก็บางอย่างมันก็เป็นอิทธิพลของอดีตกรรมที่เข้ามาก็ไม่รู้มาเบียดบ้างมาตัดร้อนบ้างมาฆ่าบ้าง ต, ตามสมควรแก่กรณี ทีนี่คนประเภทต่อไปที่เรียกว่าเกิดมาในสกุลสูงหรือสกุลต่ำมานะฮะสกุลสูงก็สกุลต่ำก็ทรงแสดงด้วยโครงสร้างเดียวกันว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนะใครก็ตาม เป็นคนที่กระด้างเยอะหยิงไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่ควรแก่อาสนะไม่ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาต้องฟังลองสังเกตนะตรงนี้ใจแต่ต้องอ่อนโยนมากเลยคือหมายความว่านอกจากว่ามีความรู้สึกดีต่อบุคคลเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่ารู้ที่สูงที่ต่ํา สังคมเรามันมีวุฒธบุคคลอยู่สามกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือวัยวุธคือผู้ที่จะเิญโดยไหวมีอายุเหนือกว่าเราเราจะต้องให้ความเคารพนับถือแก่ท่านเหล่านั้นตามสมควรจะฐานนะคนหนึ่งเป็นชาติวุฒคือชาติสกุลสูงแม้เราจะอยู่ในยุคประชาธิปไตยหรือพัฒนาไปยังไงก็ตาม ก็มีคนที่อยู่ในสกุลสูงสูงทางเศรษฐกิจสูงทางสังคมสูงทางเป็นราชสกุลอะไรแต่อไรก็ตามนะฮะเขาก็เหนือกว่าแต่ว่าต้องให้เกียรติยกย่องเขาตามทุกวรแก่สถานนะวันก่อนในสังเกตตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชท า, านรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล น, นะแก่ นักแพทย์แล้วสุดจะเป็นแพทย์สี่ท่านดนะ้วยกันนักพิทยาศาสตร์เป็นแพทย์เกิดูวิธีการของคนที่มาจากอังกฤษเนี่ยมันเกิดรู้สึกก็เป็นเซอร์นะฮะกเเ็เป็นตำแหน่งคุณ น, น, นาระใหญ่คือลักษณะเราเห็นชัดเจนเนะว่ามันผ่านระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีในราชวังมาวิยาท่าทางเนี่ย การแสดงเรื่องความได้รับการฝึกปลื้อบรมมาในเรื่องนั้นและก็เห็นความแตกต่งางเพราะการการแสดงความรู้สึกในลักษณะนี้เราก็ต้องให้ความเคารพแก่ท่านที่ทจเจริญโดยวัยเจริญโดยชาติได้จเจริญด้วยคุณธรรมความดีอย่างเช่นในวงการของพุทธบริษัทเรา อย่างสำเร็จเล็ ก, ลกนๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่แน่นะคือท่านอยู่ในศีลมากกว่าชาวบ้านโดยอ่งไปหทีนี้ถ้าหากว่าปรายอมรับหนังสือท่านแล้วก็ปฏิบัติตามเหมาะัมควรแก่ถานามันเป็นการลดมาระ์หรืความกระด้าง จะเป็นการเคารพต่อคนที่ควรเคารพเป็นการบูชาต่อคนที่ควรบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรจะเห็นาลักษณะกันด้านปรดี๋ยวเยอยิ่งกระเดี๋มันมันมันลดลงไปกิเลสประเภทมานะนี่เป็นกิเลสที่อาการหนักคือถ้าเรามองถึงประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สังกยากของพระพุทธเจ้าเอง ในปีที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนพรรษา80เราคงจะ ต, ต้นต้นปีหรืออาจจะปลาย79อะไรก็ตามโดยมาหน้าความถือตัวของราชาวงศ์ักยะเนี่ยเป็นเหตุให้กองทัพของพระเจ้าวิูุถาพระซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นลูกหลานนะเป็นลูกหลา น, าาานาาาาของราชวงศ์สักยะใน่วราชวงศ์สักยะเขาไมยอมรับ แสดงการดูหมิ่นเพราะว่าแม่เนี่ยมันสืบเชื้อสายมาจากนางประสีเอาขนาดว่าพระพุทธเจ้าสมแก้ปัญหาคนเราอื่นในเรื่องเหล่านี้ได้เยอะ แ, ม, แะม่พระพุเจ้าประสินกรศน์เคยมีเวลราะ ธ, ธิดาก็มีปัญหาในด้านความรู้สึกองการพุทเจ้าก็สง่งอธิบายชี้แจงให้เห็นหแต่พระราชวงศกยะนี้ไม่เบาในเะรื่องน คนนนที่สุดก็ถูกบัดเจ็บล้มตายไปเป็นหนังมากถูกกองทัพของพระเจ้าวิถีตับลายกมาทําลายแต่ก็ไม่ใช่หมดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรามองให้ดีว่าถ้าท่านเหล่านั้นไม่มานะกระด้างคือตัวมากเดินไปปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ควรจะเกิดหรือแม้แต่ถ้าเราดูภูมิหลังของพว ก, ule, ก man, ยิวกับพวกเยรมัน่ะแต่ผมคิดเลย โดยใหญ่นะจริงๆมันก็คือการดูหมินในชาติพันธุ์ในเผ่าพันธ์กันเลยคือพวกเยอรมันถือตัวเองมาเป็นอารยันเกี่มากความเชื่อสายเดียวกับพระเจ้าแล้วก็ถือพวกอิสราเอลพวกกิวเป็นพวกเร่ร่อนแล้วก็ดูหมินในด้านชาติพันธ์กันดูมินกันจนมีความรู้สึกคล้ายๆไม่ใช่คนนะบางยุคบางสมัยเนี่ยมันมองคนอื่นใช่คนนะไม่ใช่คน อย่างสมัย ส, ยสงครามโลกครั้งที่สองทีเลิกกระทาต่อพวกชาวยิวเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามันมองไม่ใช่คนและก็คือดูห ม, มิ่นคนอื่นแรงจนทําเขาเยี่ยงกว่าสาัตว์เดรัจฉานครุนแรงกว่าสาัตว์เดรัจฉานยังทำมาแล้วก็เป็นตาบาป ท, ที่คาแผ่นดิ น, น, อ, ยนยอย่างเงี้ยอีกกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ว่าประติศาสตร์ตรงนี้มาอยู่กันมาอย่างเงี้ยลูกหลานก็ชนชาติยิวก็ต้องสื่อสารต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะผูกใจเจ็บเป็นไปเรื่อยๆ รันปัญหาเรื่องความกระด้างความถือตัวความเยอยจิงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วถ้าลองสังเกตว่าแม้ในเรื่องราวมังเกียนเนี่ยมันไปสะท้อนปุคลิกของตัวละครในแต่ละตัวอย่างองคคตเนี่ยกระชักจะถือตัวมากหรือแม้แต่พารีเนี่ยถือตัวมาก ต่ทำงานแล้วทิวก็เสียงานไปเลยก็ส่งไปให้สื่อสารราชทูตสื่อสารเนี่ยไปเผาเมืองเขามันก็ยุ่งไปหมดเลยเพราะงั้นแนวตัวนี้ถ้าว่ามันไม่ลดวาราสองอย่างสมมติว่าพาลีเนี่ยรามบอกว่ายังไงเธอก็ ไปให้สัตว์ปฏิญาณไปแล้วก็ให้สอนมันกินเลือดสักหน่อยนหนึ่งนะจะแก้เครสที่เฉยไม่ยอบไม่ยอนตายตายมก็ตายด้ยวยควาประโยชน์ตายที่มีตราบาปอยู่เพราะฉะนั้นคนคนเหล่านี้เนี่ย ตายไปแล้วก็ฟังเกิดในทุกขติแทรกนะฮะฟังเกิดในทุกขติมิณิบารณนะ์รกณสวนกายเนดะ่๋ยนี้ถ้าไม่แรงเนะี่ยแต่แรงก็เกิดมาในสกุลตดำแต่คนที่คนยากจนขัดสนานาถากรรมพระหาที่พึ่งไม่ได้นะซึ่งแน่นอนว่า น, นั้นเป็นชนกกรรมนะพูดในกรณีชนกกรรมเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะ ด, ด้วยกรรมปัจจุบันได้ เพียงแต่ว่าเราถ้าเรายอมรับในกฎของกรรมก็ไม่ต้องไปริษยาคนที่เขาเกิดมาในสกุลสูง<ม>เกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยเกิดมารูปร่างดีอะไรแต่ไรเนี่ยไมมีโรคภัยขัดจ็บให้ไม่ต้องไปริษยาเพราะแต่ละคนกำลังสวยผลกรรมของตนอย่างคําพูดที่พระประตาเจราเท ร, รีภิกษุณีเนี่ยท่านกล่าวไว้ท่านบอกว่า คนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาสู่โลกนี้โดยกรรมของตนก็อยู่ในโลกนี้โดยกรรมของตนก็จากโลกนี้ไปโดยกรรมของตนก็แสดงเห็นว่าโดยเฉพาะโลกนี้เนี่ยเราแปลผ่านได้เราเกิดในสกุลต่ำเราก็พัฒนาสกุลเราขึ้นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยว่าคนสกุลใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยที่โดดเด่นมาทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาทางด้านต่างๆเนี่ย สำนวนสมัยโบราณเขาเรียกว่าไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเลยนะนี่นก็โผล่ขึ้นมาส ก, กุลธรรมดาธรรมดาเนี่มันก็ทําให้เห็นกฎความจริงอีกกฎหนึง่งหรือตอนแสดงเอาไว้นะฮะลูกคนโจรคนแค้นแสนจะคิดอัดแผรงริดกลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุนี้ไม่ควรหู่ดูหมินกันนั่นแสดงว่าเป็นความแตกต่างโดยกําเนิดที่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยปัจจุบันกรรม ทีนี้คนอีกพวกหนึ่งเนี่ยคือตรงกันข้ามเป็นคนไม่กระด้างไม่เยือยยิง่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับให้อาสนะอะไรตายนี่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบต่อคนที่ควรแก่สถานะเหล่านั้นเมื่อ <c oughs> ตายไปแล้วเนี่ยด้วยจิตใจที่ไม่กระด้างไม่สมาคารวะก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงโลกสวรรค์ก็จะบังเกิดเป็นมนุษย์ หน้าที่ใดในภายหลังก็จะเกิดในสกุลสูงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลมาจากสมาคารวะหรือมานะคือความกระด้านความถือตัวที่ตกแต่งภพชาติของบุคคลให้มีความยิ่งย่อนแตกต่างกันแล้วลักษณะเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมองมองอื่นไกลแล้วฮะอย่างที่คติไทยก็บอกว่าเป็นผู้น้อยคอยก้มประนมก่เหนื่อยไปก่อนจึงสบายมาปลายมือ ตรนี้ตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึง่งเนี่ยบางทีพวกเสแสร้งพวกมารยาทั้งหลายเนี่ยมันก็สร้างไองเ้เงื่อนไขต่างๆขึ้นให้ก็หลงทางได้มีสมาคารวะประจบประแจงบีบๆนวดๆผู้หลักผู้ใหญ่ไปเรื่อยก็จเริ่นก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่วความรู้ความสามารถฝีมือไม่ได้พัฒนาขึ้นไปก็กลายเป็นขยะของสังคมกลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการเสนอแต่ว่าแนวความคิดการมองเนี่ยมันก็เหมือนวัศการปรราะมองอภาระานีรร้จรทำวัชีอปาระานี้จะทำนั่นเองนั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดอ่อนก็เห็นจุดจุดอย่างหนึ่งเหมือนกันเอออย่างงี้มันมันมนุษย์เดี๋ยมันเสแสร้งได้นะฮะเสแสร้งได้มาญาได้โอ้อวดเอาได้กระทำเอาได้จริงๆไม่ได้ความสุจริตต ต่อหน้ามาพราบพรับหลังตะโกปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรจ ะ, ะไรในมือถือสากปากถืีลบางทีมันก็กลายเป็นคนที่ประสบความจเจริญก้าวหน้าได้นะเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมบ้าไอ้กิเลสมายาในบางทีก็จับทางไม่ออกเหมือนกันกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรบางทีอาจจะสายช้แล้วก็ได้แต่ว่ากฎของกรรมมันจะเป็นกฎของกรรมอย่างนี้ เพียงแต่ว่ามนุษย์ไปสัมผัสมันด้วยปัญญาหรือด้วยความโง่เขลาก็อีกเรื่องหนึ่งั้งฟังเท่าไหร่แต่โรวพโพธิยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเนึ่งทานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกันสวัสดี